เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล คือสร้างความสุขความอืเออกใจให้กับจิตใจด้วยการทาบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลสร้างความฉลาดคือสร้างกุศลคือความฉลาดด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้พัฒนาจิตใจให้สูงให้ฉลาดให้หลุดพ้นจากความ หน้มงมงายที่อันเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างความอยากสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้ไม่รู้จักจบจากสิน้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นเป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์มาก เป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฟังแล้วจะเกิดกุศลเกิดความชลานั่นเองความรู้ทางธรรมะเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อการอยู่อย่างรง่มเย็นเป็นสุขาราศาจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความรู้ทางโลก แม้จะรู้มากเพียงใดก็ตามก็เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะความรู้ทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ใจดับความวุ่นวายใจดับความกังวลใจได้มีแต่ความทุกข์ในทางธรรมเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจ ความกังวลใจได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราศึกษาพระธรรมคำสอนไว้อยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วผลที่ดีที่งานก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไป ไม่ต้องไปสนใจเรื่องความรู้ทางโลกมากจ น, จนเกินไปไม่ต้องไปเสียใจถ้าเราไม่ได้เรียนจบปริญญาไม่ได้เรียนสูงสูงเพราะเรียนไปก็เท่านั้นเองสู่เรียนวิชาความรู้ทางธรรมไม่ได้มีมีผลที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยตรงถ้ามีธรรมแล้วใจของเราจะอยู่เย็ยนเป็นสุข ไม่ว่าจะได้ยากดีมีจนก็ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องสำคัญ ม, มีมีธรรมะแล้วถึงแม้จะยากจนก็จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีความรู้ระดับป ร, ริญญามีความร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีแต่ไม่มีความสุขใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแต่ทำอย่างเดียว ทั้งๆ ท, ที่ความรู้อย่างอื่นพ่ะพุทธเจ้าก็ทรงรู้อย่างมากมายเช่นเดียวกันแต่ไม่ทรงนำเอามาสั่งสอนเพราะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้นำไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้นำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกินทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วทรงถามพระภิกษุว่า ใบไม้ที่อยู่ในกามือของตถาคตนี้กับใบไม้ที่อยู่ในป่าทั้งหมดนี้ส่วนไหนจะมากกว่ากันเนี่พภิกษูก็ทูลตอบไปว่าใบไม้ในกามือของพระ อ, องค์นั้นมีเพียงนิดเดียวจะไปมากกว่าใบไม้ที่มีอยู่ในป่าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ความรู้ที่ตถาคตรู้นั้นก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในป่าตถาคตรู้อะไรมากมายกายกองแต่ตะถาคตไม่ได้นำเอาความรู้เหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเธอสิ่งที่ตถาคตสั่งสอนพวกเธอนี้ก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในกามือนี้เองแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาจิตใจ ให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้พวกเธอให้สนใจกับความรู้ที่ตถาคตนำมาสั่งสอนก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจกับความรู้ต่างๆอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ที่ตถาคตสอนนี้มีอยู่เพียงเจ็ดข้อเท่านั้นเอง ขอให้เรียนรู้จำไว้ให้ได้ให้เข้าใจแล้วให้นำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจิตใจของพวกเธอทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจมาเหยียบย่ำทาลายได้เลยความรู้ทั้งเจข้อนี้มีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งก็คือรู้เหตุข้อที่สองก็คือรู้ผลข้อที่สามก็คือรู้ตนข้อที่สี่ก็คือรู้บุคคลข้อที่ห้าก็คือรู้สังคมข้อที่หกคือรู้กาลเทศะและข้อที่เจรู้ประมาณ นี่คือความรู้เจดข้อด้วยกันถ้าผู้ใดรู้แล้วสามารถปฏิบัติตามได้จะมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุดจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจมี้อยู่ในใจเลยดังนั้นเราควรจะศึกษา ความรู้ทั้งเ็ข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วปฏิบัติให้ถูกความรู้ข้อที่หนึ่งทรงสอนว่าให้รู้เหตุเหตุก็คือต้นต้นน้ำหรือตัวที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นมาได้เหตุที่ทรงสอนนั้นก็มีอยู่คือการกระทํทาทางกาย ทางวาจาและทางใจเรียกว่าเหตุถ้าทำแล้วก็จะมีผลตามมาเราก็ต้องรู้เหตุก่อนแล้วก็รู้ผลที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรเพราะการกระทำนั้นก็ทำได้สามวิธีด้วยกันทำดีทำไม่ดีทำ ที่ไม่ใช่ดีและไม่ใช่ไม่ดีก็มีอยู่สประการด้วยกันเมื่อทําแล้วก็จะมีผลตามมาสมประการเช่นเดียวกันก็ต้องรู้ผลว่าเป็นอะไรผลที่ตามมาก็คือผลดีที่เกิดจากการทาความดีผลไม่ดีที่เกิดจากการทามไม่ ด, ด, ากกามดีและผลที่ไม่ใช่ ดีหรือไม่ดีที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนี่คือการรู้เหตุและรู้ผลถ้าเรารู้ผลแล้วว่าเกิดจากเหตุเราต้องการผลชนิดใดเราก็สร้างเหตุชนิดนั้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เมื่อปลูกไปแล้วก็จะมีผลปรากฏออกมา ถ้าปลูกต้นมะม่วงผลก็จะต้องเป็นรูปมะม่วงถ้าปลูกส้มก็ผลก็จะต้องออกมาเป็นผลส้มจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ฉนันใดการกระทำที่เป็นเหตุก็เป็นเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่ทำทั้งดีหรือชั่ว ก็จะไม่ได้ผลที่ดีหรือชั่วตามมาเมื่อเราทุกคนมีความต้องการผลดีคือความสุขและความเจริญเราก็ต้องทำความดีเมื่อเราไม่ต้องการผลชั่วคือความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็ต้องละการกระทธรรมความชั่วหรือการกระทธรรมไม่ดีนั่นเอง นี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเช่นเราอยากจะได้ได้ผลดีคือความสุขความเจริญเราก็ต้องทำความดีมีอะไรบ้างเช่นสรงสอนให้มีความกตัญญูกะตะเวทีให้มีสัมมาคารวะให้มีการเสียสละ ให้มีการให้ให้มีความเมตตากรุณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีทำไปแล้วก็จะมีแต่ผลดีตามมาทั้งภายในใจของตนเองและจากการได้รับจากผู้อื่นทำความดีแล้วใจจะมีความสุขมีความภูมิใจ และผู้อื่นก็ยินดีที่จะสนับสนุนยกย่องสรรเสริญส่งเสริมนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีส่วนการกระทำบาปทำความชั่วทำไม่ดีก็จะนำผลที่ไม่ดีให้มาเกิดขึ้นเช่นการฆ่าสับตัดชีวิตรักทรัพย์ พูดผิดประเวณีพูดปวดมดเทศเสสุรายาเมาถ้าทำไปแล้วก็จะนำซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาทุกใจและก็จะมีผู้คนที่จะรังเกียจเราที่จะไม่ยกย่องสรรเสริญที่จะประนามเรา ที่จะจับเราไปลงโทษนี่เรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลขอให้เราคิดไวเสมอจำไว้เสมอว่าผลนั้นเกิดจากเหตุผลดีเกิดจากการทำความดีผลไม่ดีเกิดจากการทำไม่ดีไม่ได้เกิดจากผู้อื่นไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเราต้องการผลที่ดีขอให้เราทำความดีก็พอไม่ต้องไปขอจากใครไม่ต้องไปหาพระที่วิเศษวิโส ข, ขนาดไหนก็ตามท่านไม่สามารถให้ผลดีกับเราได้อย่างมากท่านให้ได้ก็คืออวยพรขอให้มีความสุขมีความเจริญแต่การอวยพรนี้ไม่ได้เป็นเหตุ ที่จะทำให้เราสุขและเราเจริญความอวยพรนี้เป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำให้คนเราสุขและเจริญขึ้นไปได้คนเราจะสุขและเจริญขึ้นไปได้ต้องเกิดจากการทำความดีเท่านั้นและถ้าไม่ต้องการพบกับความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลาย ก็ต้องละเว้นจากการกระทำบาปถ้าไม่ทำบาปแล้วจะไม่มีความเสื่อมเสียตามมาจะไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเหตุและผลและยังมีเหตุอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรง ส, สรั่งสอนก็คือเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์และเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไป เหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆถ้ามีความอยากแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่อิ่มใจจะไม่พอเมื่อเกิดความอยากใจก็จะต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ตนเองอยากได้มาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้เหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยาก อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาอยากจะออกไปเที่ยวแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวนี้จะมีความทุกข์จะมีความวุ่นวายใจเวลาอยากเป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็นก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจเวลาอยากไม่เป็นอะไรแล้วต้องเป็น ก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจเช่นเดียวกันเช่นเวลาอยากเป็นสอส อ, อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกำนันแล้วไม่ได้เป็นก็จะเสียใจส่วนเวลาอยากไม่เป็นอะไรแล้วต้องเป็นก็จะเสียใจเหมือนกันเช่นอยากไม่แก่แล้วต้องแก่อย่างนี้ก็จะเสียใจ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเสียใจอยากไม่ตายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็จะต้องเสียใจนี่คือต้นเหตุเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้แล้วทรงสอนเหตุที่จะละความทุกข์ที่จะทำให้ความทุกข์เหล่านี้ดับไปได้ก็ไม่ใช่อะไรเลยก็คือการไม่อยากนั่นเอง ก็อยากไปอยากเสียอย่างเดียวปัญห า, หาต่างๆก็จบถ้าไม่อยากออกไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขถ้าไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่อยากเป็นกำนันไม่อยากเป็นสอสอไม่อยากเป็นนายกเวลาไม่ได้เป็นก็ไม่เดือดร้อนอะไรสบายใจถ้าถ้าไม่อยากต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเลิกเสียได้ คือกลับไปเสียว่าอยากแก Buck, ่อยากเจ็บอยากตายคือพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่รู้สึกอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะผู้ที่แก่เจ็บตายกับผู้ที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั้นเป็นคนละคนกันผู้ที่แก่เจ็บตายก็คือร่างกาย ผู้ที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็คือใจแต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจไม่รู้ใจหลงนั่นเองใจไม่มีธรรมะไม่มีกุศลไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะจึงไม่เข้าใจจึงเกิดความหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่อยากจะให้เป็น ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยใจก็เลยเลิกไม่อยากได้เลิกไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอไม่อยากแล้วความทุกข์ใจก็ไม่มีตามมานี่คือเรื่องของการรู้เหตุและ การรู้ผลเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านจงนาเอาไปพิจิพิจารณาแล้วปฏิบัติดูรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายสิ่งที่ควรรู้ข้อที่สามเรียกว่ารู้ตนเราต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรอย่างไร เราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะทำผิดเช่นเป็นผู้หญิงแต่ทำตัวเป็นผู้ชายอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้ตนเป็นผู้ชายแล้วทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่รู้ตนแล้วก็เกิดความวุ่นวายจะต้องไปแปลงเพศจะต้องไปตัดส่วนนั้นออกจะต้องไปหาสส่วนนี้มาต่อวุ่นวายไปหมด แทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขกับต้องวุ่นวายมีความทุกข์เพราะไม่รู้ไม่รู้ตนนั้นเองไม่รู้ว่าตนเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็อยากจะเป็นชายนี่ก็วุ่นวายเป็นชายแล้วอยากจะเป็นหญิงก็วุ่นวายนอกจากตนเองจะวุ่นวายแล้วยังไม่ได้ยังไม่เป็นที่รับของผู้อื่นด้วยพ่อแม่ก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจ เพราะการที่ไม่รู้ตนนั่นเองทำไมลูกของเราถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ตนแล้วเราปรยายามปฏิบัติตามที่เราเป็นอยู่เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนเป็นชายก็อยู่แบบชายเป็นหญิงก็อยู่แบบหญิงไอ้เรื่องความรู้สึกนี้มันแก้ได้มันเปลี่ยนได้ ความรู้สึกนี่เราอยากให้มันมีเหนืออำนาจของเหตุผลเหนือของความเป็นจริงเช่นเมื่อกี้นี้สอนว่าความอยากต่างๆนี่ก็เป็นความรู้สึกแต่เมื่อมีความอยากแล้วมันก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราระงับดับความอยากได้ความทุกข์ต่างๆก็ดับไปได้เช่นเดียวกับเป็นหญิงแล้วอยากเป็นชายเราก็ดับความอยากนั้นเสียความทุกข์มันก็หายไป เป็นชายแล้วอยากเป็นหญิงเราก็ดับความอยากนั่นไปแล้วความทุกข์ก็หายไปเราก็จะอยู่อย่างชายอย่างหญิงได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจที่มันหลงมันไม่รู้อะไรนั่นเองมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นเป็นชายแล้วอยากเป็นหญิงเป็นหญิงแล้วอยากเป็นชายนี่คือพวกที่เรียกว่า มีมิจฉาทิฏฐิมีความหลงผิดเห็นกองจากเป็นดอกบัวดึงต้องเอาธรรมะคําสอนของพพระพุทธเจ้ามาแก้ไขด้วยการให้รู้ตนรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรก็ต้องปฏิบัติตนตามตามฐานะของตนเป็นหญิงก็ต้องก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ทั้งทําตัวให้เป็นผู้ชาย เป็นพระก็ต้องทําตัวให้เป็นพระเป็นคารวะก็ต้องทําตัวให้เป็นคารวะถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาได้เป็นพระแล้วทําตัวเป็นคารวะก็จะถูกเขาจับสึกไปเป็นคารวะแล้วทำตัวเป็นพระก็จะถูกคนก็โห่ไร่เขาเรียกว่าพวกพวกเท็นตรงพวกมือมือถือศากปากถือศีลเป็นต้น ดังนั้นขอให้เรารู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไรและให้ปฏิบัติให้เหมาะให้สมกับฐานะของเราแล้วจะไม่มีปัญหาตามมาจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจประการที่4ความรู้ข้อที่4คือให้รู้บุคคลนอกจากรู้ตัวเราแล้วเราต้องรู้คนอื่นด้วย คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยมีหลายหลายอย่างหลายแบบด้วยกันเช่นคนที่สูงกว่าเราก็มีคนที่เท่าเราก็มีคนที่ต่ำกว่าเราก็มีการปฏิบัติต่อคนต่างๆเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกันคนที่สูงกว่าเราเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ต้องให้ความเคารพ เราต้องมีความกตัญญูกตวเวทีกับท่านคนที่เสมอเราก็ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือให้มีความเมตตาต่อกันไม่ใช่จะมีความเคารพ ก, กันแบบต้องกราบไหว้กันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่เท่าเราเราก็ปฏิบัติอย่าง คนที่สูงกว่าเราเราก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งคนที่ต่ำกว่าเราเช่นลูกของเราเราก็ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งให้ความเอ็นดูให้ความสงสารคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขานี่คือเรื่องของการรู้จักบุคคลต้องรู้ว่าคนในสังคมเหล่านี้มีต่างฐานะกันเราจะถือว่าเป็นคนเหมือนกันแล้ว ปฏิบัติเท่ากันหมดไม่ได้จะเอาจะเป็นรูปศีรษะพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้รูปศีรษะลูกเราได้แต่รูปศีรษะพ่อแม่ไม่ได้ไปกราบลูกเราก็ไม่ได้ต้องกราบพ่อกล่าวแม่เรานี่คือการรู้บุคคลถ้ารู้บุคคลแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวเราให้ถูกต้องไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนไม่เป็นที่รังเกียจ ่ผข้อที่หคือให้รู้สังคมสังคมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เราอยู่ที่ที่มีอยู่ในสังคมที่เราอยู่เช่นสังคมคนไทยเรามีประเพณีที่จะมีการเวลาไปเวลามามีการมีการลามีการไหว้กัน เวลาเจอกันมีการยกมือไหว้ทักทายกันนี่คือประเพณีของชาวไทยถ้าไปอยู่อีกประเทศเด่นเขาก็มีประเพณีที่ต่างกันไปถ้าเป็นชาวฝรั่งเขาก็จับมือกันทักทายกันแทนที่จะยกมือไหว้ถ้าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็จะก้มก้มศรีรษะให้ต่อกันก้มโค้งให้ต่อกันการปฏิบัติ ของสังคมแต่ละสังคมจึงมีไม่เหมือนกันเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจเวลาเราอยู่ในสังคมใดเขาเชื่ออะไรถึงแม้เราจะไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่ไม่ควรไปทำผิดประเพณีเขาทำอะไรอย่างไรก็ทำไปเช่นเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไปเข้าโบสถ์ ของชาวคริสต์เขาเขาทำอย่างไรเราก็ทำตามเขาไปทำได้เพราะเราทำเป็นกิริยาเท่านั้นเราไม่ได้ทำไปด้วยใจของเราเราทำเพื่อรักษามารยาทรักษาน้าใจเท่านั้นเองดีกว่าไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำแล้วเราจะดูแลน่าเกลียดสู้อยากเข้าไปดีกว่าถ้าเราจะไม่ทำตามที่เขาทำกันเราก็อยากเข้าไป ถ้าเรามีความจําเป็นที่ต้องเข้าไปเราก็ควรจะทาตามที่เขาทำไปการกระทาตามนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้ารีดไปกับเขาหรือจะรับรับนับถือศาสนาของเขาเพียงแต่เราทำด้วยมรารยาทไม่ให้เสียมรารยาทเพื่อรักษาน้ําจิตธรรมใจกันเท่านั้นเองนี่คือการรู้สังคมข้อที่6ให้รู้กาลเทศะ คื อ, อต้องรู้ว่าเวลาที่เราไปทาอะไรตามสถานที่ต่างๆนั้นควรจะทำอย่างไร mm hmm. เช่นเวลามาวัดเราควรจะมาเวลาไหนแต่งกายอย่างไรมา mm hmm. เมื่อเข้าถึงในสาราแล้ว mm hmm. เขากำลังทาอะไรกันอยู่ mm hmm. เขากาลังตักบาตรถวายอาหารขาวหวาน หรือเขากําลังฟังเทศฟังธรรมกําลังทําพิธีกําลังรับศีลรับพรเราต้องรู้จักกาลเทสะไม่ใช่เห็นเขากําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมเราอยากจะถวายข้าวเราอยากจะตักบาตรเราก็เดินทําไปโดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขากําลังทําอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักกาลเทสะ ทำไปแล้วก็ประกาศความโง่ของตัวเองให้ผู้อื่นเขาได้เห็นว่าคนนี้มันเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดคนไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าเราทําตัวของเราให้เหมาะสมกับการละเทสะแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชยไม่เป็นคนโง่นี่คือการรู้การละเทศะและข้อเจคือการรู้ประมาณ คำว่ารู้ประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีคือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปเช่นรองเท้าที่เราใส่ก็ไม่ต้องใหญ่เกินเท้าของเราเพราะใส่แล้วมันจะหลวมใส่แล้วมันจะไม่สบายถ้าเล็กเกินไปใส่แล้วมันคับใส่แล้วมันก็จะเจ็บเท้าก็ไม่ดีไม่พอดี ต้องให้มันพอดีทุกอย่างต้องพอดีหมดไม่ว่ารองเท้าเสื้อผ้าหรือปัจจัยสี่ที่เราใช้เป็นเครื่องอยู่อาศัยอาหารก็ต้องรับประทานให้พอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปมากไปก็จะอ้วนนอกจะมีน้ําหนักเกินจะมีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนย น, น้อยไปร่างกายก็จะผอมแห้งแรงน้อย มีโรคภัยเบียดเบียนเช่นเดียวกันต้องรับต้องกินให้พอดีคือพออิ่มพอกินอิ่มแล้วก็หยุดอย่ากินต่อทั้งๆที่อยากจะกินอย่ากินตามความอยากกินตามความต้องการของร่างกายพอรู้สึกอิ่มแล้วให้หยุดทันทีอย่าขคต่ออีกคำสงคำเพราะมันไม่เป็นคำสองคำมันจะเป็นจานสองจาน นี่คือการรู้จักประมาณให้รู้จักพอดีให้รู้จักฐานะของเราว่าเรามีฐานะอย่างไรเรามีเงินทองที่จะใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงไรก็ให้ใช้จ่ายตามฐานะของเราอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินมากกว่าที่หามาได้เพราะจะมีปัญหาตามมา จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินจะต้องเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรารู้จักประมาณเรารู้จักใช้เงินเท่าที่เรามีใช้เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนี่คือเรื่องของการรู้จักประมาณเป็นข้อที่เจ็ดรวมทั้งหมดแล้วก็มีเจ็ดข้อด้วยกัน คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณถ้าเรารู้ทั้งเจ็ดข้อนี้แล้วเราสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกเสีย อ, อีก เพราะคนที่เรียนจบเป็นญาติเองแต่ไม่รู้ความรู้ทั้งเจข้อนี้แล้วมักจะเอาตัวไม่รอดจะต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่คนที่มีความรู้ทั้ง7ข้อและปฏิบัติตามได้แล้วจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะอยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลาย นี่คือความรู้ที่สำคัญแก่ชีวิตของเราอยู่ที่ความรู้ในทางศาสนานี้มีอยู่เจ็ดข้อนังที่ได้แสดงไว้จึงขอให้ท่านได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา